สวัสดีค่ะเสียงอาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะกุหลาบแดงแฝงใจในความรักซึ่งประจักษ์แจ้งจิตมิ ส, สหายเหมือนองค์พระเยซูคริสชีวิตวายมอบใจกายรักเราชาวโลกาเพราะรักนี้ดีเลิศประเสริฐสัก์ วาเลนไทน์สูงค่านักควรรักษาเป็นความรักสดใสไร้มายาเราจงมารักกันให้มั่นคงค่ะก็ขอสวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้อีกอกี่วันคะจะถึงวันวาเลนไทน์อีกสองวันนะคะเราคงรู้ดีนะคะเนาะ <c oughs> สมัยตอนที่ข้าวเจ้ายังเรียนอยู่มัธยมนะคะหรือว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันเนาะเวลา ถึงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะหน้าโรงเรียนจะเต็มไปด้วยอะไรคะจะเต็มไปด้วยดอกไม้ตุ๊กตานะคะเต็มหน้าโรงเรียนไปหมดนะคะเพราะว่าอะไรคะบางคนเนาะก็ซื้อไปให้เพื่อนหรือว่าซื้อให้แฟนหรือว่าให้รุ่นพี่ให้รุ่นน้องที่แอบชอบนะคะเนาะเราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลานี้มานะคะหรือว่าบางคนก็จะมีกรอนนะคะให้คู่รักอย่างเช่นนะคะ ต้นไม้อยู่ไม่ได้ถ้าขาดน้ำนกอยู่ไม่ได้ถ้าขาดฟ้ามดอยู่ไม่ได้ถ้าขาดน้ำตาลฉันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเธอไง น, นะคะก็หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีกรอนที่อา จ, จวานซึ้งนะคะคนอื่นฟังแล้วอาจจะดูเลี่ยนใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อคนที่เป็นคนรักหรือว่าเราส่งให้ใครเี้ยก็จะรู้สึกเคิร์นแล้วก็รู้สึกว่ามันหวานเนพิเศษนะคะ ก็ทุกๆวันก็มีความรักให้ซึ่งการรายการอยู่แล้วแต่ว่าวันวาเลนไทน์อาจจะพิเศษเนาะเพราะว่ามันเป็นวันพิเศษนะคะนี่ก็คือวันวาเลนไทน์เนาะและในเดือนนี้เองนะคะคริสต์จักรของเรานะคะได้ตั้งหัวข้อเดือนนี้ไว้ว่าเดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์น ะ, ะเดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์เมื่อพูดถึงความรักหลายๆคนอาจจะให้นิยามของความรักเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนอาจจะบอกว่ารักคือการให้ ลักคือการเสียสละหรือว่ า, า, ารักกันต้องอดทนนะคะในวันนี้ข้าพเจ้ามีคลิปนะคะให้พี่น้องได้ดูด้วยกันเป็นคลิปที่ข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์สมาชิกนะคะในคริสตจกักรหรือว่าอาจารย์ว่านิยามความรักของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปด้วยกันนะคะ ถ้าถามว่าความรักคืออะไ ร, รยิบาลของเราะะต้องตอบตามาพระคมภีว่าความรักนั้นก็อดทนนานและนี่คือนิยามของความรัก mm hmm. เราต้องพร้อมที่จะอดทนกับคนคนนั้นแม้ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะไม่น่ารักแต่ถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่อดทนนั่นหมายความว่าเราก็พร้อมที่จะรักเขาได้ค่ะก็นิยามความรักก็ต้องเอามาจากพระคำพีชวิชาจากโครินหนึ่งโครินบทที่บสา ความรักนั้นก็อดทนนานแล้ก็ทําคืนให้ความรักเจ้ตัวไม่ได้มานะคะเจ้าตัวไมมาแทนไม่อยาบคายไม่ไม่คิดเห็นแก่ตนเองแล้วก็ไม่ช่างจดจำความผิดอรุณประมาณนี้ค่ะก็ตัวนี้ก็คือนิยามความรักที่มดเข้าใจค่ะนิยามความรักนะคะก็ความรักคือการเสียสละคือการเข้าใจคือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะมีความรักแบบอ่า พี่น้องแบบเพื่อนแบบคนรักหรือว่าความรักกับลูกออคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องมีสิ่งนี้ค่ะครับความรักสําหรับผมนะครับจริงๆเราผมไม่รู้ครับความรักคืออะไรแต่สําหรับผมมันเป็นความผูกพันและความสัตย์ื่อโอเคก็ความรักก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของการรักกันได้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ค น, นิยมของความรักนะคะก็คือคิดว่าน่าจะมีเป็นความอดทนแล้วก็ให้อภัยซึ่ง ก, กันและกันแล้วก็เสียงสละให้เองกันและกันค่ะความรักก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นพระวันเป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าค่ะที่ให้เราอ่ะที่จะรักคนอื่นแอะที่สําคัญเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันในเสียงที่พระเจ้าทรงสร้างเนาะแล้วก็ถ้าเรารักใครสักคนอ่ะเราก็จะ ไม่ล่ลววเลยที่เราจะให้ให้ความใส่ใจที่เราจะแบ่งปันเวลาแล้วก็ที่เราจะดูแลเขาแล้วก็ที่สัมพันธ์เมื่อเรารักผู้อื่นแล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะความรักหน้าจะหมายถึงการเสียสละเพราะถ้าเรารักใครสักคนเราก็จะเสียสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเวลาแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทำเราก็สามารถเสียสละให้กับคนที่เรารักได้ เงนอย่างที่พระเยซูทรงสละชีวิตขององค์เองเพื่อเราทุกคนอืความรักก็คืออะไรคิดว่าความรักน่าจะเป็นแรงขับดันให้สร้างชีวิตแล้วก็รักษาชีวิตเอาไว้ครับความรักในความหมายของผมคือความรักคือความอดทนอดทนอย่างที่พระธรรมบอกว่าอดทนนานและกระทำคุณให้คือมันต้องเข้าเข้าใจเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาแล้วมาใส่ใจเราเราจะมีความ อดทนอดทนเนี่ยมันต้องอดทนเห็หนอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยถ้าเราไม่สามารถเ ห, หนอกเห็นใจเขาหรือเขาไม่เข้าใมากจะเข้าขเข้าใจเราการที่จะอยู่ด้วยกันก็จะลำบากการจะรักษาความรักให้ยืนยงหรือว่ายั่งยืนต่อไปนานๆ น, น, นั้นเนี่ยเราต้องอาศัยความเคาเข้าใจกันเป็นหลัก ดังนั้นความอดทนเป็นหัวใจของการที่เราจะอยู่ร่วมกันอดทนได้แม้ในสภาพที่ไม่ควรจะอดทนถ้าเราอดทนได้อดทนมาจากสองคำคำว่าอดกับคำว่าทนหมายความว่าคุณต้องอดพอที่จะอดทนหมายว่าคุณต้องทนได้ทุกสภาพคุณต้องทั้งทนทังน้งอดแล้วก็อึดคุณถึงจะอยู่ด้วยกันได้ เราจะเห็นว่านิยามความรักแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแตกต่างกันออกไปนะคะเนาะแล้วนิยามความรักของคุณล่ะคะเดิงยจะเอาไม้ไปให้ผู้นิยามความรักดีไหมคะพูดวันนี้คงไม่จบนะคะเนาะก็ให้เราตอบตัวเองในใจนะคะว่านิยามความรักของเราเป็นยังไงนะคะเนาะในก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ขาแต่พระบิดาเจ้าคะขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพงศ์และทุกคนได้มีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันขอมระเจ้ทรงที่จะสถิตอยู่ท่ามกลางข้าพงศ์แทุกคนให้พระเวทนะของพระองค์ในวันนี้ที่จะแต่ต้องสัมผัสจิตใจและให้ทุกคนที่จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อเทศนาในบ่ายวันนี้นะคะข้าพเจ้าให้หัว ข, ข้อว่าเพราะรักนะคะเพราะรัก พระวจนะของพระเจ้านะคะพระเจ้าได้ยกมาจากพระธรรมฟิเลโมนนะคะพระธรรมฟิเลโมนทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยแต่จะไม่อ่านนะคะเพราะว่ามันมีเยอะนะคะเป็นเรื่องราวความรักของคนสามคนคะ่ะแต่ไม่ใช่รักสามเศร้านะคะเป็นเรื่องราวความรักของผู้ชายสามคนคะ่ะคือเปาโลฟิเลโมนและโอเนีซิมัสนะคะสามคนนะคะซึ่ง พระธรรมฟิเลโมนนะคะมีทั้งหมดหนึ่งบทเท่านั้นนะคะแต่มีทั้งหมดยี่สิบห้าข้อนะคะแต่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะเน้นในข้อที่สิบหกนะคะที่บอกว่าเขาไม่ใช่เป็นทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะเป็นคนและเป็นคริสเตียนด้วยกันนะคะเมื่อกี้ที่ผู้นำก็ได้อ่านไปแล้วนะคะผู <c oughs> ้เขียนพระธรรมฟิเลโมนนะคะ <c oughs> ก็คืออาจารย์เปาโลนะคะทุกคนคงรู้จักนะคะอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในขณะที่ท่านกำลังถูกจองจำหรือว่าติดคุกอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นท่านอยู่ที่กรุงโรมนะคะเขียนไปถึงฟิเลโมนนะคะ ฟิเลมอนเป็นเพื่อนของอาจารย์เปาโลซึ่งฟิเลมอนคนนี้นะคะเขาเป็นสมาชิกคริสต์จากโะคลอสีค่ะสาเหตุที่เปาโลต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ไปหาฟิเลมอนเพราะว่าอะไรคะเพื่อที่จะขอร้องขอร้องแทนทาสคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือโอนีซิมัสนั่นเองนะคะเพราะว่าโอนีซิมัสเขาได้ขโมยของนะคะจากฟิเลมอนไปและเขาก็หนีหนีไปที่กรุงโรมนะคะ เขาไปเจอกับอาจารย์เปโอลอที่นั่นนะคะแล้วอาจารย์เปโลก็ได้มีโอกาสที่จะอแบ่งปันหรือว่าพูดเรื่องราวของพระเจ้านะคะให้กับโอนีซิมัสจนโอนีซิมัสเนี่ยกลับใจเชื่อพระเจ้านะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอนีซิมัสคงจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะให้กับเปาโลฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเขานะคะว่าทําไมเขาถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทําไมเขาถึงต้องหนีมาอะไรต่างๆน่าจะเล่าให้ฟัง เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเปาโลเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนจดหมายไปถึงฟิเลโมนใช่คะแต่ว่าในพัมพีไม่ได้บันทึกไว้เนาะเปาโลได้บอกโอนีซิมัสว่าการวิ่งหนีปัญหาเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะการวิ่งหนีปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำนะคะเปาโลจึงบอกให้โอนีซิมัสเนี่ยกลับไปหาฟิเลโมนค่ะบอกให้กลับไปหาฟิเลโมนและเปาโลเนี่ยจะเขียน จะเขียนจดหมายนะคะรับรองเขาเองว่าจะเขียนจดหมายรับรองขอคือนดีนั่นเองนะคะเขียนจดหมายรับรองขอคือนดีและบ่ายวันนี้นะคะเขาพเจ้าอยากจะแบ่งเป็นสามหัวข้อด้วยกันนะคะสามประการนะคะที่ข้าพเจ้าอยากจะให้เห็นความรักเพื่อนมนุษย์นะคะประการแรกก็คื อ, อคนะคะขอร้องด้วยความรักนะคะขอร้องด้วยความรักเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้อ่านด้วยกันนะคะในข้อที่แปดถึงสิบสองนะคะ พร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสาเฉะนั้นแม้ว่าโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้ามีใจกล้าพอที่จะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรกระทำได้แต่เพราะเห็นแก่ความรักพระเจ้าคิดว่าพระบาเจ้าขอร้องท่านดีกว่าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์และบัตรนี้ได้ถูกจำจองเพื่อพระองค์ด้วย ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าค่ะขอบคุณมากนะคะในข้อที่เก้าได้บอกว่า แต่เพราะเห็นแกความรักข้าพเจ้าขอร้องท่านดีกว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านดีกว่าความจริงแล้วนะคะเปาโลเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นอัครทูตในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าสูงพอสมควรคะเป็นศักที่สูงเนาะเขาสามารถใช้สิทธินี้นะคะที่จะบอกกับฟิเลโมนว่าให้รับโอนิซิมัสเนี่ยกลับไปเลยเขาสามารถที่จะบอกได้ถึงแม้ว่าเปาโลกับฟิเลโมนจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่า สากของเปาโลเนี่ยสูงกว่านะคะเหมือนกับเราเนาะเราบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าที่การงานสูงกว่าใช่ไหมคะมีตําแหน่งที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะคะเปาโลเนี่ยมีตําแหน่งที่สูงกว่าเขาสามารถที่จะบอกฟิเลโมนหรือใช้อํานาจที่เขามีอยู่เนี่ยให้รับโอนิซิมัสกลับไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าเปาโลนะคะไม่ได้ทําอย่างนั้นเปาโลเองเนี่ยเขาได้ ขอร้องนะคะอย่างที่เราอ่านไปเนาะเขาได้ขอร้องด้วยคําพูดที่น่าฟังน ะ, ะไม่ต้องการบังคับให้ฟิลิโมนเนี่ยทำแบบฝืนใจเพราะว่าถ้ารับโอนิซิมัสไปแบบฝืนใจแล้วเป็นยังไงคะก็อาจจะกระทบถึงการเลี้ยงดูด้วยจะไม่อยากเลี้ยงดูเพราะว่ารับมาเพราะว่าฝืนใจที่จะรับมานะคะแต่ว่าเปาโลเนี่ยต้องการที่จะให้อ่อ ฟิเลโมนเนี่ยรับเขามาด้วยใจของเขาจริงๆนะคะโดยที่เขาเนี่ยใช้คําสุภาพแต่ว่าแฝงด้วยอํานาจแล้วก็เป็นสิริอํานาจแล้วก็ความจริงจังนะคะที่อยู่ในจดหมายเนาะถ้าเราได้อ่านนะคะคำขอร้องของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคําขอร้องจากใจจริงๆเพราะว่าในข้อที่12ได้บอกว่าข้าพเจ้าส่งเขามาหาท่านซึ่งเท่ากับส่งดวงใจของข้าพเจ้ามาทีเดียวนะคะส่งดวงใจ คำว่าดวงใจเนี่ยถือว่าเปโลรักโอนิซิมัสมากนะคะเพราะว่าอะไรคำว่าแก้วตาดวงใจเราจะได้ยินก็ต่อเมื่อใครพูดกับใครคะพ่อแม่พูดกับลูกใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะตอนนี้เปโลอเนี่ยได้บอกว่าการที่เขาส่งโอนิซิมัสกลับมาหาฟิเลโมนเนี่ยก็ เ, เท่ากับว่าเขาส่งดวงใจของเขามานะคะเป็นคำพูดที่ เออเมื่อเราได้ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงคะเอออยากจะรับมาเลยทีเดียวเนาะตอนนั้นเองเ่ยเปาโลก็มีศิละปะในการพูดเหมือนกันนะคะนะเนาะก็ชักจูงใจคนได้ดีคําขอร้องของอาจารย์เปาโลนะคะเป็นคําขอร้องแบบเพื่อนเป็นคําขอร้องแบบเพื่อนเนื่องจากว่าฟิเลโมนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาก็ควรที่จะรับโอนซิมัสเช่นเดียวกับที่รับตัวของเขาด้วยนะคะเพราะว่าในข้อที่17ได้บอกว่าเฮฉะนั้นถ้าท่านถือว่า ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเองนะคะเพราะว่าเท่าฟิเลมอนปฏิเสธโอเนสปฏิเสธที่จะรับโอนิซิมัสก็เท่ากับว่าฟิเลมอนปฏิเสธใครคะเปาโลโด้วยนั่นเองนะคะ <c oughs> การขอร้องนะคะคําพูดเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าการที่เราใช้คําพูด ต่อรองหรือเราขอร้องใครนะคะเราก็ต้องใช้คำพูดที่ดูดีใช่ไหมคะคำพูดที่น่าฟังเนาะเพราะว่าในการดำเนินชีวิตของเรานะคะเราก็จะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทำงานอยู่ที่มหลาลัยหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราเดือดร้อนนะคะต้องการความช่วยเหลือเราก็เป็นไงคะพูดพูดจาดีนะคะพูดจาไพเราะเนาะ นี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยเราเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจากใครนะคะเราก็จะได้รับความช่วยเหลือนั้นเนาะเพราะว่าการพูดเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดจาดีกับเขาเฉพาะกับที่ต้องการผลประโยชน์หรือว่ามีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ถ้าตัวเองไม่ได้รับประโยชน์ฉันก็จะไม่พูดดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าไม่ว่าเราต้องการไม่ว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือ หรือว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ให้เราที่จะพูดจาดีๆกับเขาพูดจาไพเราะกับเขานะคะเนาะการนินทานะคะการที่พูดว่าร้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนาะแต่ให้เราที่จะมีคำพูดที่พูดจาดีพูดจาไพเราะอยู่ในชีวิตของเราแทนที่จะเป็นคำพูดที่ไม่ดีเหล่านั้นนะคะแต่ว่า การที่เราจะขอร้องหรือการที่เราจะทําสิ่งดีๆออกมาเนี่ยเราจะต้องมีความรักก่อนนะคะเมื่อเรามีความรักแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะออกมาโดยที่ไม่ได้ฝืนใจนะคะมันจะออกมาโดยอัอตโนมัติหรือว่าออกมาโดยธรรมชาติของเราเองนะคะเมื่อเรามีความรักเนา ะ, ะประการที่2อนะคะอาภัยให้ด้วยรักนะคะอาภัยให้ด้วยรักในข้อที่16ได้บอกว่าเขา ไม่ใช่เป็นธาตอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าธาตคือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักมากของขาาา้าพเจ้าแต่คงจะเป็นที่รักมากของท่านทั้งในฐานะเป็นคนและเป็นเพื่อนคริสตชนด้วยนะคะพระธรรมฟิเลโมนนะคะถ้าพี่น้องมีเวลานะคะก็สามารถที่กลับไปอ่านได้นะคะเขาจะเน้นในพระธรรมนี้จะเน้นเรื่องการอภัยะคะโดยเฉพาะในข้อที่สิบหกที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะ เป็นข้อที่เน้นให้เห็นถึงการอภัยเพราะว่าได้บอกว่าเขาไม่ใช่ทาตอีกต่อไปนะคะแต่จะเป็นพี่น้องที่รักนะคะไม่ใช่ทาตอีกต่อไปแต่จะเป็นพี่น้องที่รักเปาโลได้ให้อภัยโอนีิมัสใช่ไหมคะหลังจากที่โอนีซิมัสเขากลับใจมาเชื่อพระเจ้าเปาโลได้ให้อภัยเขาแต่และไม่เพียงเท่านั้นเปาโลยังเขียนจดหมายไปให้ฟิเลโมนขอร้องให้ฟิเลโมนที่จะยกโทษแล้วก็อภัยให้กับ โอนีิมัด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าการกลับไปของโอนสิมัตครั้งนี้นะคะ mm. เขาไม่ได้กลับไปในฐานะทาสเหมือนเดิมแต่ว่าเขากลับไปในฐานะพี่น้องในพระคิดค่ะ mm. เขากลับไปในฐานะพี่น้องในพระคิดคือมีความเท่าเทียมกันนะคะ mm. เพราะว่าต่อพระภักพระเจ้าเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดทุกคนนะคะไม่มีใครสูงไม่มีใคร ไม่มีคนรวยไม่มีคนจนนะคะอย่างในกาลาเทียบทที่3ข้อยี่สิด้บอกว่าจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และในเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อที่สามสบข้อที่สาได้บอกว่าจงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองและใจโกรธการทะลเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้าย การคิดปองลายทุกอย่างให้อยู่ไกลจากท่านและท่านทรงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิดนั้นนะคะในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะคะข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างนะคะในพระพรหมีมัทชิวบทที่18ข้อที่ 15- บหถึงยีินะคะหลายหลาคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วนะคะมีเจ้าองค์หนึ่งนะคะ เขาคิดบัญชีกับทาตะทาสคนนี้เนี่ยเป็นหนี้อยู่หมื่นตะลันคะเป็นหนี้อยู่หมื่นตะลันเขาเาจ้านายนะคะได้สั่งบอกว่าให้ขายตัวก็คือขายตัวเองแล้วก็เมียลูกนะคะครอบครัวเนาะเพื่อที่จะเอานี่สินเนี่ยมามา ช, มาชดใช้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้แต่แล้วเนี่ยผู้ใจคนนี้เขาก็ขอร้อง เขาก็ขอร้องวิงวอนนะคะบอกว่าขอให้โปรดผัดไปก่อนได้ไหมนะคะขอให้ผ่านไปก่อนแล้วเขาจะใชหนี่ทีหลังนะคะเจ้าองค์นี้ก็มีใจเมตตานะคะก็โปรดยกนี่ให้ปล่อยเขานะคะปล่อยเขาสามารถที่จะไปทำงานหาเงินเพื่อที่จะมาใชหนี่ได้นะคะแต่ท่านคนนี้นะคะพอถูกปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาก็เป็น เป็นหนี้ของผู้ชายคนนี้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นหนี้อยู่100เดนารีอันนะคะ100เดนารีอันจึงจับเพื่อนคนนี้นะคะเขาจึงจับบีบคอแล้วก็บอกว่าให้ใช้หนี้คืนให้ใช้หนี้คืนมานะคะแตะ่เพื่อนธาตคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกขอร้องขอให้ผัดไปก่อนได้ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมนะคะจน เพื่อนที่เห็นนะคะเขาก็รู้สึกสงสารทา่าดเพื่อนท่าดคนนี้นะคะก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกให้กับเจ้านายไปบอกให้กับกรรษัตริย์องค์นั้นนะคะจนกรรษัตริย์องค์นั้นเนี่ยก็เรียกเรียกให้คนที่เป็นหนี้เขานะคะให้กลับมาพบอีกทีหนึง่งแล้วก็ถามทําไมถึงไม่ยอมยกหนี้ให้กับเพื่อนทั้งทั้งที่เขาเนี่ยยกหนี้ให้กับ ทาสคนนี้นะคะทำไมทไมเขาถึงไม่ยกยกหนี้ให้กับเพื่อนของเขานะคะแล้วเจ้านายก็สั่งให้ลูกน้องนะคะพาทาสคนนี้เนี่ยไปไปถูทารุ่ น, นะคะไปจับไปขังคกนะคะจนกว่าจะใช้หนี้หมดเห็นหคะในภาะวะในเรื่องที่เข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างนะคะอยากจะให้เรายกหนี้หรือว่า ไม่ใช่ยกนี้ให้อภัยคนอื่นนะคะเหมือนกับที่เราได้รับการอาภัยนะคะเนาะเพราะว่าในมัตชิวนะคะพระเยซูไม่ได้สอนให้เราย ก, ยกโทษหรือว่าให้อภัยเพียงแค่ครั้งเดียวแต่พระองค์ทรงบอกว่าให้ยกโทษเจครั้งคูณด้วยเจสิบนะคะเจ็ดครั้งคูณด้วยเจสแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเป็นประเภทที่ f o r g e but not forget นะคะคืออะไรคะ ให้อภัยนะแต่ว่าไม่ลืมนะคะให้อภัยแต่ว่าไม่ลืมนะคะอย่าให้เราเป็นอย่างนี้นะคะแต่ให้เราที่จะเป็น forgive and forget นะคะก็คือให้อภัยแล้วก็ลืมมันไปนะคะเนาะการอภัยที่แท้จริงนะคะก็คือการที่เราเนี่ยให้อภัยผู้อืน่นเช่นเดียวกับที่เราได้รับการอภัยนะคะให้อภัยผู้อืน่นเหมือนเช่นเดียวกับที่เราได้รับการอภัยนะคะอย่างไรพระธรรมทุกอย่างนะคะเริ่มต้นจาก ความรักเนาะในหนึ่งโคลินบทที่13นะคะข้อที่ 4-7 ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าความรักนั้นก็อดทนนานนะคะและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมบินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นนะคะและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่สเสมอและทนต่อทุกอย่างนะคะก็อยากให้เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเราเนา ะ, ะประการที่สนะคะประการสุดท้ายชดใช้ให้ด้วยรักนะคะชดใช้ให้ด้วยรักในข้อที่สิบดถึงข้อที่สิบเก้าได้บอกว่า ถ้าเขาได้กระทําผิดต่อท่านประการใดหรือเป็นหนี้อะไรท่านท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าเปาโลได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะใช้ให้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าและแม้ตัวท่านเองด้วยจะเห็นได้ว่าเปาโลรักโอนีซิมัสมากนะคะเพราะว่า เปาโลได้แสดงความรักนั้นยังไงคะเขาบอกว่าจะชดใช้ข้าของที่โอนีซิมัสขโมยมาหรือว่าทำอะไรที่ให้ฟิลิโมนต้องไม่พอใจนะคะเปาโลเขาจะเปาโลนะคะยอมที่จะชดใช้ให้ทั้งหมดเลยนะคะแม้ว่าในพมพีนะคะจะไม่ได้บันทึกนอกว่าความผิดของโอนซิมัสคืออะไรนะคะแต่ว่าการที่เขาหนีออกมาทำให้ฟิลิโมนเนี่ย ต้องได้รับการสูญเสียอย่างแน่นอนโอนซิมัสอาจจะขโมยเงินหรือว่าทรัพย์สินบางอย่างแล้วหนีออกมาเปาโลไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าเขาเขียนว่าถ้าเขาได้ทําผิดต่อท่านประการใดหรือเป็นหนี้อะไรท่านเปาโลบอกว่าจะชดใช้ให้ทั้งหมดนะคะเปาโลเองไม่ได้มีส่วนในความผิดบาปของโอนซิมัสนะเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์จ่ายค่าจ้างของความบาปให้กับมนุษย์ทุกคนโดยที่พระองค์ ไม่มีความผิดบาปเลยนะคะพระองค์ต้องทุนทุกข์ทรมานต้องถูกข่มเหงนะคะทั้งที่ไม่ได้มีส่วนในความบาปที่มนุษย์ได้ทำเลยนะคะในโรมบทที่6 ข, ข้อสได้บอกว่าเพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะและในยอนห์นบทที่สข้อสิบหถึงนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นนะคะองค์พระเยซูคริสต์ชดใช้ความบาปให้กับมนุษย์เพราะว่ารักนะคะเพราะว่ารักจากเรื่องราวของฟิเลโมน เปาโลและโอนีซิมัสนะคะสอนให้เราทําทุกอย่างด้วยความรักนะคะขอร้องด้วยความรักอภัยให้ด้วยรักชดใช้ด้วยรักนะคะเช่นเดียวกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเดือนแห่งความรักนะคะไม่ใช่แค่เราจะรักพระเจ้านะคะแต่พระองค์ทรงสอนเราว่าให้เรารักเพื่อนบ้านของเรานะคะรักพ่อแม่รักพี่น้องนะคะในวันนี้นะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปัน ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะรับแล้วฟังไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราฟังเท่านั้นแต่อยากจะให้เราที่จะปฏิบัติตามนะคะให้เราที่จะลงมือทำเนาะ <c oughs> เพราะว่าการทำด้วยความรักนะคะไม่ใช่เพียงแค่วันแห่งความรักเดือนแห่งความรักเท่านั้นแต่ว่าทำได้ทุกๆวันนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่พอรักนะคะเปาโลคงไม่เขียนจดหมายเพื่อไปขอร้องฟิเลมนให้รับโอนซิมัสน ะ, ะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่พอรัก โอนีซิมัสคงให้คงไม่ให้อภัยสิ่งที่ฟิเลโมนโกรธนะคะถ้าไม่ใช่เพราะรักโอนีซิมัสคงไม่กล้าที่จะกลับไปหาฟิเลโมนทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะรักนะคะพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะและการที่เราจะให้ผู้อื่นได้เห็นพระเจ้าได้นั้นคือเราต้องรักซึ่งกันและกันนะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทุกคนนะคะให้เราที่จะทำทุกสิ่งด้วยความรักนะคะ ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีให้กับข้าพเจ้าทุกคนแม้ว่าหลายครั้งที่ข้าพมายทุกคนอาจจะทําในสิ่งที่ไม่ดีทําในสิ่งที่ผิดพลาดทําในสิ่งที่ให้พระองค์ไม่พอผาไทยแต่พระองค์ก็ยังทรงรักและให้ภัยให้ข้ า, ขาพรงคทั้งหลายเสมอข้าแต่พระเจา้าพระวัจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้ขอที่จะให้พี่น้องทุกคนจะนํำไป ปฏิบัติใช้และสามารถที่จะรักผู้อื่นได้เหมือนที่พระองค์ทรงรักต่พระเจ้าขอมอบทุกๆคนให้อยู่ภายใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมน